ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชิมาปฏิปทามัชิมาปฏิปทาหรืออริยศัสตร์ข้อสุดท้ายคือมรรคเป็นประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนภาคปฏิบัติที่จะช่วยให้การดำเนินสู่จุดหมายตามแนวทางของกระบวนธรรมะที่รู้เข้าใจหล่านั้น เป็นผลสำเร็จขึ้นมาในชีวิตจริงหรือเป็นวิธีใช้กฎเกณฑ์แห่งกระบวนการของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจนถึงที่สุดขอให้พิจารณาพุทธพจน์และคำอธิบายย่อต่อไปนี้เพื่อเป็นความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ ม, ช ม, ม, าามัชิมาปฏิปทามัชในฐานะมัชชิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลาย ที่สุดสองอย่างนี้มันปิะชิดไม่พึงเสพกล่าวคือการหมกมุ่นด้วยกามาสุขในกามทั้งหลายอันซามเป็นของชาวบ้านของปุถุชนไม่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งและการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนอันเป็นปุกไม่เป็นอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งตถาคตได้ตรัสรู้แล้วซึ่งทางสายกลาง อันไม่ค่องแว่ที่สุดสองอย่างนั้นอันให้เกิดดวงตาให้เกิดญาณคือการรู้เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานก็ทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทานั้นเป็นไฉนทางนั้นคือมรรคาอันเป็นอริยะมีองค์ประกอบ8ปประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพุทธพจน์จากปฐมเทศนาหรือธรรมจักกับประวัตนาสูตรนี้แสดงความหมายเนื้อหาและจุดหมายของมัชฌิมาปฏิปทาไว้โดยสรุปครบทั้งหมดที่ควรสังเกตคือความเป็นทางสายกลางนั้น เป็นเพราะไม่เข้าไปคล้องแวะที่สุดสองอย่างแต่ไม่ใช่อยู่กลางระหว่างที่สุดทั้งสองคือ1การมาสุขคันลิกานุโยกการหมกมุ่นอยู่ด้วยการมาสุขสองอัตตากิลิยามัฐานุโยกการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเองบางครั้งมีผู้นำเอาคาว่าทางสายกลางไปใช้อย่างกว้างขวางหมายถึงการกระทําหรือความคิด ที่อยู่กึงกลางระหว่างการกระทําหรือความคิดสองแบบสองแนวหรือคนสองพวกสองฝ่ายคือวัดเอาให้ได้ครื่องทางระหว่างสองแบบหรือสองฝ่ายนั้นความเป็นกลางหรือทางสายกลางนี้ไม่มีหลักอะไรที่แน่นอนต้องรอให้เขามีสองพวกสองฝ่ายก่อนจึงจะเป็นกลางได้และจุดกลางหรือเส้นกลางก็ไม่แน่ลงไปว่าแค่ไหน สุดแต่สองพวกหรือสองฝ่ายเขาจะยึดถือปฏิบัติกันแค่ใดทางสายกลางนั้นก็ขยับขยื่นเลื่อนไปให้ได้ครึ่งทางระหว่างสองพวกสองฝ่ายนั้นบางครั้งทางสายกลางแบบนี้ก็มองดูคล้ายกับทางสายกลางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่เพิ่งทราบว่าเป็นทางสายกลางเทียมไม่ใช่ของแท้จริงทางสายกลางที่แท้จริงมีหลักที่แน่นอน ความแน่นอนของทางสายกลางนั้นอยู่ที่ความมีจุดหมายหรือเป้าหมายที่แน่ชัดเมื่อมีเป้าหมายหรือจุดหมายที่แน่นอนแล้วทางที่นำไปสู่จุดหมายนั้นหรือการกระทำที่ตรงจุดพอเหมาะพอดีจะให้ผลตามเป้าหมายนั่นแหละคือทางสายกลางเปรียบเหมือนการยิงลูกศรหรือยิงปืนอย่างมีเป้าหมายจำต้องมีจุดที่เป็นเป้าการยิงถูก คือการกระทำที่พอเหมาะพอดีให้ลูกปืนหรือลูกศรพุ่งไปสู่ที่เป็นเป้าความเป็นทางสายกลางยอมอยู่ที่การยิงตรงพอดีสู่จุดที่เป็นเป้านั้นการยิงที่เฉะคลาดพลาดออกไปข้างๆยอมไม่ถูกต้องทั้งหมดเมื่อเทียบกับการยิงที่ผิดเฉะคลาดพลาดออกไปข้างๆทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าจุดหมายที่ถูกต้องมีจุดเดียว และเป็นจุดกลางเป็นจุดที่แน่นอนส่วนจุดที่ผิดพลาดมีมากมายและไม่แน่นอนล้วนเขวเอกไปเสียข้างๆและเส้นทางที่เข้าสู่จุดหมายนั้นก็เป็นเส้นทางกลางเช่นเดียวกันทางที่ถูกต้องมีจุดหมายมีหลักที่แน่นอนของมันเองมีใ่คอยรอกำหนดวัดเอาจากทางที่ผิดพลาด ทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้มีจุดหมายที่แน่นอนคือความดับทุกข์หรือภาวะหลุดพ้นเป็นอิสระไร้ปัญหามักคือระบบความคิดและการกระทําหรือการดำเนินชีวิตที่ตรงจุดพอเหมาะพอดีให้ได้ผลสาเร็จตามเป้าหมายคือความดับทุกข์นี้จึงเป็นทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา อันหนึ่งโดยเหตุที่ทางสายกลางเป็นทางที่มีจุดหมายแน่ชัดหรือความเป็นทางสายกลางขึ้นอยู่กับความมีเป้าหมายที่แน่ชัดผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้จุดหมายจึงจะเดินทางได้คือเมื่อจะเดินทางก็ต้องรู้ว่าตนจะไปไหนด้วยเหตุนี้ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งปัญญาและจึงเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิหรือเริ่มต้นด้วยการเข้าใจปัญหาของตน แล้วรู้จุดหมายที่จะเดินทางไปโดยในยะนี้ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งความรู้และความมีเหตุผลเป็นทางแห่งการรู้เข้าใจยอมรับและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อมนุษย์มีความรู้ความเข้าใจและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงของโลกและชีวิตแล้วมนุษย์จึงจะสามารถจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเอง หรือสามารถดำเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามกันได้เองโดยไม่ต้องคอยหวังพึ่งอำนาจศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพดลบรรดาจากภายนอกและเมื่อมนุษย์มีความมั่นใจด้วยอาศัยปัญญาเช่นนี้แล้วมนุษย์ก็จะไม่ต้องไปหมกมุ่นวุนว่นวายอยู่กับสิ่งที่ห่วงกังวลว่าจะมีอยู่นอกเหนือวิสัยของมนุษย์ท่าทีแห่งความมั่นใจเช่นนี้หละคือลักษณะอย่างหนึ่งของความเป็นทางสายกลาง ผู้เดินทางสายกลางเมื่อเข้าใจปัญหาและกำหนดรู้แ น, แนวแห่งจุดหมายแล้วก็จะมีความรู้ความเข้าใจตามมาอีกด้วยว่าทางสายกลางสู่จุดหมายนั้นคือทางดาเนินชีวิตที่ไม่ตีราคาค่าตัวต่ำถึงกับยอมสยบจมลงในกระแสะโลกล่อยชีวิตให้เป็นธาตุแห่งอามิตรที่เป็นเหยื่อล่อของโลกเป็นอยู่ด้วยความหวังที่จะได้เสพรสอร่อยของโลกทายเดียว โดยยอมให้สุขทุกความดีงามและคุณค่าแห่งชีวิตของตนขึ้นต่อวัตถุและความผันผวนรวนแรงของเหตุปัจจัยต่างๆในภายนอกอย่างสิ้นเชิงโดยไม่รู้จักพัฒนาชีวิตให้มีอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองมีคุณค่าในตัวของมันเองโดยไม่ต้องขึ้นต่อโลกร่ำไปสิบ้างเลยทางดําเนินชีวิตที่เป็นสายกลางนั้นนอกจากไม่เอียงสุดทางวัตถุ จนเป็นาธาตุของวัตถุหรือขึ้นต่อวัตถุสิ้นเชิงแล้วก็ไม่เอียงสุดทางจิตด้วยคือไม่ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นต่ อ, อการบำเพ็ญเพียรและผลสาเร็จทางจิตฝ่ายเดียวจนปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่สภาพทางวัตถุและร่างกายกลายเป็นการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเองทางดำเนินชีวิตนี้มีลักษณะไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น เป็นไปด้วยการรู้เข้าใจสภาพที่เป็นอยู่ตามที่เป็นจริงทั้งทางวัตถุและทางจิตใจแล้วปฏิบัติ ด, ด้วยความรู้เท่าทันพอสมแก่เหตุปัจจัยและสอดคล้องพอเหมาะพอดีที่จะให้ได้ผลตามจุดหมายมิใช่ทาพอสักว่าจะให้ได้เสพสวยเวทนาอันอร่อยของอามิ t รหรือสักว่าถือตำตามกันมาโดยสาคัญมั่นหมายว่า จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยงมงายพุทธพจน์ในอังคุตระนิกายติการนิบาตและคุตกานิกายอุทานอาจช่วยขยายความหมายที่สุดสองอย่างนี้ได้อีกแห่งแรกทรงเรียกการมาสุขคาลิกานุโยกว่าอาคารลหะปฏิปทาแปลว่าทางกรานหรือทางหยากรานได้แก่ คนพวกที่เห็นว่าการไม่มีโทษและดื่มด่ำหมกตัวอยู่ในกามทรงเรียกอตตกิลามัธานุโยคว่านิจามะปฏิปทาทางเครียมหรือทางแห้งเครียมได้แก่ข้อปฏิบัติต่างๆของพวกอาเจลกะคือชีบเลื่อยซึ่งในที่นี้พึงถือว่าทรงยกเป็นตัวอย่างส่วนมัชฌิมาปฏิปทา ทรงไขความว่าได้แก่ธรรมะหมวดใดก็ได้ในโพธิปัจกิยธรรม37ประการซึ่งประกอบด้วยสติ 4, ประธานสี่ประธานสี่อิทธิบาสี่อินทรีห้าพระละห้าโภชงเจ็ดมรรคมีองค์8ดแห่งที่สองมีความว่า คนพวกที่ถือเอาการเล่าเรียนเป็นสาระถือเอาศีลวัดคือข้อปฏิบัติการหาเลี้ยงชีพการถือปรมจมรย์และการบำรุงบำเรอเทพเจ้าเป็นสาระนี้เป็นที่สุดข้างหนึ่งและคนพวกที่ถือวาทะว่าโทษในกามไม่มีนี้ก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งที่สุดสองอย่างนี้เป็นเครื่องพอกูอวิชาตันหา อวิชาตัญหาก็พอกพูนทิฏฐิคนทั้งหลายไม่รู้จักที่สุดสองอย่างเหล่านี้พวกหนึ่งก็ติดล้าอยู่พวกหนึ่งก็วิ่งเลยไปส่วนคนผู้รู้จักที่สุดสองอย่างนั้นแล้วเขาไม่ติดอยู่ในที่สุดทั้งสองนั้นและไม่ถือดีเพราะการที่ไม่ติดอยู่นั้นด้วยสำหรับคนเหล่านั้นวัตตะที่จะบัญญัติเขาย่อมไม่มี อัตถกถาอธิบายคำว่าการหาเลี้ยงชีพว่ามาถึงการเลี้ยงชีวิตแบบนักบำเพ็ญตะบะแล้วว่าอัตตกิฬมอถานุโยกก็คือศีลประตประปารามาดนั่นเองทางสายกลางมีลักษณะาบางอย่างที่พึงทราบดังที่กล่าวมานี้หากผู้ใดจะกล่าวอ้างถึงทางสายกลาง หรือเดินสายกลางอย่างหนึ่งอย่างใดก็พึงถามท่านผู้นั้นว่าเขาได้เข้าใจสภาพปัญหาที่มีอยู่และจุดหมายของทางสายกลางที่จะเดินนั้นแล้วหรือไม่หลักมัชิมาปฏิปทานี้ใช้ได้กับกิจการและกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ที่เป็นประเภทวิธีการตามปกติระบบแบบแผนวิทยาการสถาบันนาทีการงานต่าง ตลอดจนการปฏิบัติกิจในชีวิตประจําวันเช่นการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นย่อมมีความมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหากําจัดทุกข์ช่วยให้มนุษย์บรรลุ ค, ความดีงามที่สูงขึ้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือการปฏิบัติชอบต่อระบบแบบแผนเป็นต้นเหล่านั้นก็คือจะต้องกระทําด้วยความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของมัน ซึ่งนับว่าเป็นการกระทําด้วยปัญญาหรือโดยมีสัมมาทิฏฐิจึงจะนับว่าเป็นการดำเนินตามแนวทางของมัชชิมาปฏิปทาแต่จะเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติมีอยู่เสมอที่มนุษย์ปฏิบัติผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจตรงตามจุดมุ่งหมายของระบบวิธีและกิจการเหล่านั้นการปฏิบัติผิดพลาดนี้ น่าจะเป็นไปในทางเอียงสุดสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกล่าวคือพวกหนึ่งมุ่งใช้ระบบวิธีและกิจการเหล่านั้นเป็นเครื่องมือหรือช่องทางสําหรับสแสวงหาสิ่งบํารุงบําเรอปรนเปรือตนเช่นใช้ระบบการเมืองใช้สถาบันเป็นช่องทางสแสวงหาลาบยศอํานาจทําหน้าที่การงานศึกษาเล่าเรียนโดยมุ่งเป็นหนทางให้ได้เงินทองตําแหน่งใหญ่โต เพื่อบำรุงบำเรอตนให้มีความสุขสำราญได้เต็มที่ไม่ทำเพื่อบรรลุจุดหมายของงานหรือวิทยาการนั้นๆ น, น, นับว่าเป็นการขาดสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิแทนที่ส่วนคนอีกพวกหนึ่งตั้งใจปฏิบัติกิจทำงานศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นอย่างแข็งขันจริงจังระดมทุนระดมแรงอุทิศเวลาให้ทาอย่างทุ่มเท แต่ไม่รู้ไม่เข้าใจความมุ่งหมายของสิ่งที่กระทำนั้นว่าเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาอะไรเป็นต้นทำให้สิ้นเปลืองเวลาแรงงานและทุนทำตนเองให้ลำบากเหน็ดเหนื่อยเปล่าเป็นการขาดสมาธิิอีกแบบหนึง่งพวกแรกตั้งความมุ่งหมายของตนเองขึ้นใหม่เพื่อสนองตัญหาของตนไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของกิจกรรม หรือกิจการนั้นๆส่วนพวกหลังสักว่าทำโดยไม่รู้ไม่เข้าใจความมุ่งหมายไปสู่ทางสุดโต่งคนละสายไม่ดำเนินตามมัชชิมาปฏิปทามีแต่จะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นต่อเมื่อใดดำเนินตามมัชชิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางแห่งปัญญาทำการด้วยความรู้ความเข้าใจตรงตามความมุ่งหมายของเรื่องนั้นๆ กิจนั้นนั้นจึงจะแก้ปัญหากำจัดทุกข์ได้สาเร็จรวมความว่าถ้าไม่เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิก็ไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาถ้าไม่ดาเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาก็แก้ปัญหาดับทุกข์ไม่สาเร็จการเพียรพยายามไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป โดยศึกษาเล่าเรียนทำหน้าที่การงานอย่างไม่เกียจคร้านแต่ไม่หักโหมเกินไปบางคราวก็นิยมพูดกันว่าเป็นทางสายกลางคำพูดนี้ในบางกรณีอาจเข้าลักษณะทางสายกลางได้ในบางแง่แต่ไม่ถูกแท้ทีเดียวแม้แต่ผู้ที่ดำเนินในทางที่ถูกต้องเป็นทางสายกลางแล้วแต่เพียนแรงไปหรืออ่อนไปจึงไม่สำเร็จผลก็มี ในกรณีเช่นนี้คำพูดที่ถูกต้องท่านใช้ว่าวิริยะสมตาแปล ว, ว่าความพอเหมาะพอดีหรือสม่ำเสมอแห่งความเพียรสมตาเท่ากับสมภาวะคือความสมความดุลหรือความพอเหมาะพอดีสม่ำเสมอบางคราว ถ้าชัดเจนว่าเดือนถูกทางมั่นใจและพร้อมทุกอย่างแล้วท่านให้ระดมความเปียนสุดกำลังถึงจะตายก็ต้องยอมเช่นพระพุทธเจ้าตั้งพระไทยเด็ดเดียวในราตรีที่ตรัสรู้เป็นต้นดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ควรสับสนกับทางสายกลาง